เสุตวาสูตรว่าด้วยปริพาชกชื่อสุตวาสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่หน้าภูเขาคิจกูดเขขรงราชคฤื้ครั้งนั้นปริพาชกชื่อสุตวาเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับสนทนาปราศัยกับพระผู้มีพระภาคพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วนั่งณที่สมควร ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคผู้เจริญสมัยหนึ่งข้าพระองค์อยู่ในครองราชคย์อันมีชื่อว่าคิริพะชะนี้แลณที่นั้นแลข้าพระองค์ได้สดับรับมาเฉพาะพระพักพระผู้มีพระภาคว่าสุตวาภิกษุใดเป็นอรหันตขีนาสพอยู่จบพรหมจรรย์แล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้ว ปรงภาระได้แล้วบรรลุประโยชน์ตนโดยลำดับแล้วสิ้นภวะสังโยชน์แล้วหลุดพน้นแล้วเพราะรู้โดยชอบภิกษุนั้นไม่อาจล่วงละเมิดฐานะหประการได้คือ 1. ไม่อาจจงใจปรงชีวิตสัตว์ 2. ไม่อาจถือเอาสิ่งของที่เจ้าของเขาม่ได้ให้อันเป็นส่วนแห่งความเป็นขโมย 3. ไม่อาเสดเมถุนธรรม 4. ไม่อาจพูดเท็จทั้งที่รู้ 5. ไม่อาจสะสมบริโภคการมเหมือนที่เคยเป็นครหัสมาก่อนคำนี้ข้าพระองค์ได้สดับรับมาจากพระผู้มีพระภาคใส่ใจทรงจําไว้ได้ถูกต้องดีแล้วใช่ไหมพระพุทธเจ้าข่าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าสุตวาจริงคํานี้ท่านได้สดับรับมาใส่ใจทรงจําไว้ได้ถูกต้องดีแล้วสุตวา คราวก่อนและคราวนี้เราก็ยังกล่าวอย่างนี้ว่าภิกษุใดเป็นอรหันตขีนาศอยู่จบพรหมจรรย์แล้วทำกิจ ท, ที่ควรทำเสร็จแล้วปรงภาระได้แล้วบรรลุประโยชน์ตนโดยลำดับแล้วสิ้นภวะสังโยชน์แล้วหลุดพ้นแล้วเพราะรู้โดยชอบภิกษุนั้นไม่อาจล่วงละเมิดฐานะก้าประการนี้คือหนึ่งไม่อาจจงใจปรงชีวิตสัตว์ 2. ไม่อาจถือเอาสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้อันเป็นส่วนแห่งความเป็นขโมย 3. ไม่อาจเสพเมถุนธรรม 4. ไม่อาจพูดเท็จทั้งที่รู้ 5. ไม่อาจสะสมบริโภคการมเหมือนที่เคยเป็นครหัดมาก่อน 6. ไม่อาจลำเอียงเพราะชอบเไม่อาจลำเอียงเพราะชัง 8. ไม่อาจลำเอียงเพราะหลง 9.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 สุตวาสูตที่7จก 8. บสัจชะสูตรว่าด้วยปริภาชคชื่อสัจชะสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่หน้าภูเขาคิชกูรเข ค, ครงราชครึ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 ไม่อาจจงใจปรุงชีวิตสัตว์สองไม่อาจถือเอาสิ่งของที่เจ้าของเขามิได้ให้อันเป็นส่วนแห่งความเป็นขโมยสามไม่อาจเสพเมถุนธรรมสี่ไม่อาจพูดเท็จทั้งที่รู้ห้าไม่อาจสะสมบริโภคกรรมเหมือนที่เคยเป็นครหัสมาก่อนคำนี้ข้าพระองค์ได้สดับรับมาจากพระผู้มีพระภาคใส่ใจ ทรงจำไว้ได้ถูกต้องดีแล้วใช่ไหมพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคตรัสว่าศั ช, ชจริงคำนี้ท่านได้สดับรับมาใส่ใจทรงจำไว้ได้ถูกต้องดีแล้วศั ช, ชคราวก่อนและคราวนี้เราก็ยังกล่าวอย่างนี้ว่าภิกษุใดเป็นอรหันตขีนาศบอยู่จบพรหมจัรยร์แล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วปลงภาระได้แล้ว บรรลุประโยชน์ตนโดยลำดับแล้วสิ้นภาวะสังโยชน์แล้วหลุดพน้นแล้วเพราะรู้โดยชอบภิกษุนั้นไม่อาจล่วงละเมิดฐานะ9ก้าประการคือ 1. ไม่อาจจงใจปรงชีวิตสัตว์ละถึง 5. ไม่อาจสะสมบริโภคการมเหมือนที่เคยเป็นขรหัสมาก่อน 6. ไม่อาจบอกคืนพระพุทธเจ้า 7. ไม่อาจบอคืนพระธรรม 8. ไม่อาจบอกคืนพระสงค์เก้าไม่อาจบอกคืนสิกขาสัจจะคราวก่อนและคราวนี้เราก็ยังกล่าวอย่างนี้ว่าภิกษุใดเป็นอรหันตขีนาศพอยู่โจพรมจรันแล้วทำกทิที่ควรทำเสร็จแล้วปรงพาระได้แล้วบรรลุประโยชน์ตนโดยลำดับแล้วสิ้นภาวะสังโยชน์แล้วหลุดพ้นแล้วเพราะรู้โดยชอบภิกษุนั้น ไม่อาจล่วงละเมิดฐานะ9ก้าประการนี้แลสัชสูตรที่8จบ 9. ก้าุคละสูตรว่าด้วยบุคคล9ก้าจำพวกภิกษุทั้งหลาย บุคคลเก้าจำพวกนี้มีปรากฏอยู่ในโลกบุคคลเก้าจำพวกไหนบ้างคือ 1. พระอรหันต์ 2. บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่ออรหัตผล 3. พระอนาคามี 4. บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งอนาคามิผล 5. พระสกะทาคามี 6. บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งสกทาคามิผล 7. โสดาบัน 8. บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งโสดาปฏิพล 9. ธ์ปุทุชนภิกษุทั้งหลายบุคคล 9. ก้าจำพวกนี้แหลมีปรากฏอยู่ในโลกปุคลสูตรที่ 9. จบ10อาหุเนยสูตรว่าด้วยบุคคลผู้ควรแก่ของที่เขานำมาถวายภิกษุทั้งหลาย บุคคล9ก้าจำพวกนี้เป็นผู้ควรแก่ของที่เขานำมาถวายควรแก่ของต้อนรับควรแก่ทักสินาควรแก่การทำอัญชลีเป็นนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลกบุคคล9ก้าจำพวกไหนบ้างคือ 1. พระอระหันต์ 2. บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่ออรหัตผล 3. พระอนาคามี 4. บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งอนาคามิผล 5. พระสกธาคามี 6. บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งสกธาคามิผล 7. พระโสดาบัน 8. บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งโสดาปฏิผล 9. โคตรภูบุคคลภิกษุทั้งหลายบุคคล 9. ้าจำพวกนี้เป็นผู้ควรแก่ของที่เขานำมาถวายและถึงเป็นนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลก หุนยสูตรที่10บจบสัมโพธิวัค์ที่หนึ่งจบรวมพระสูตรที่มีในวัตรนี้คือ 1. สัมโภำโพธิสูตร 2. นิสยสูตร 3. เมขียสูตร 4. นันทกะสูตร 5. พระลสูตร 6. เสวนาสูตร 7. สุตตวาสูตร 8. สัชชสูตร 9. ปุคละสูตร 10. อาหุนยสูตร 2. สีหนาทวักหมวดว่าด้วยการบรรลลอสีหนาห 1. สีหนาทสูตรว่าด้วย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 ข้าพระองค์จำบรรษาอยู่ในครูงสาวัตถีแล้วปรารถนาจะจาริกไปในชนบทพระผู้มีพระภาคตรัสว่าสารีบุตรเธอจงกำหนดเวลาที่สมควรหนบัดนี้เถิดลำดับนั้นท่านพระสารีบุตรลุกจากที่นั่งถวายอภิวาพระผู้มีพระภาคทำประทักษิณแล้วจากไปครั้งนั้นแหลเมื่อท่านพระสารีบุตรจากไปแล้วไม่นาน ภิกษุรูปหนึ่งได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญท่านพระสารีบุตรกระทบข้าพระองค์แล้วไม่ขอโทษก็จะริบไปต่อมาพระผู้มีพระภาครับสังเรียกภิกษุรูปหนึ่งมาตรัสว่าภิกษุเธอจงมาจงไปเรียกสารีบุตรตามคำของเราว่าท่านสารีบุตรพระาศาสดาเรียกท่าน ภิกษุนั้นทูลรับสนองรับพระดํารัสของพระผู้มีพระภาคแล้วเข้าไปหาท่านพระสารีบุตรถึงที่อยู่เลือกกล่าวกับท่านพระสารีบุตรดังนี้ว่าท่านสารีบุตรพระศาสดารับสั่งเรียกท่านท่านพระสารีบุตรรับคําแล้วสมัยนั้นท่านพระมหาโมคคลานะและท่านพระอาอนน์ถือลูกกุญแจเที่ยวประกายไปในวิหารว่าออกไปเถิดท่านผู้มีอายุทั้งหลาย ออกไปเถิดท่านผู้มีอายุทั้งหลายบัดนี้ท่านพระสารีบุตรจกบรนเลยสีห์หน้าต่อพระพักพระผู้มีพระภาคครั้นท่านพระสารีบุตรเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาสแล้วนั่งหน้าที่สมควรพระผู้มีพระภาคจึงตรัสกับท่านพระสารีบุตรว่าสารีบุตรเพื่อนพรมจารีรูปหนึ่งในธรรมวินัยนี้กล่าวหาถือว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญท่านพระสารีบุตรกระทบข้าพระองค์แล้วไม่ขอโทษก็จะริกไปท่านพระสารีบุตรกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภิกษุใดไม่ตั้งมั่นกายคตาสติสติเป็นไปนในกายไว้ในกายภิกษุนั้นกระทบเพื่อนพรหมจารีรูปใดรูปหนึ่งในธรรมวินัยนี้แล้วไม่ขอโทษก็พึงจาริกไป ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญหนึ่งชนทั้งหลายย่อมทิ้งของสะอาดบ้างทิ้งของไม่สะอาดบ้างทิ้งคูดบ้างทิ้งมูดบ้างทิ้งน้ำลายบ้างทิ้งหนองบ้างทิ้งเลือดบ้างลงบนแผ่นดินแต่แผ่นดินก็ไม่อึดอัดระอาหรือรังเกียจสิ่งนั้นแม้ฉันใดข้าพระองค์ก็ฉันนั้นเหมือนกันมีใจเสมอด้วยแผ่นดินไผ่บูเป็นมหตะ ไม่มีขอบเขตไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนอยู่ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภิกษุใดไม่ตั้งมั่นกายคตาสติไว้ในกายภิกษุนั้นกระทบเพื่อนพรหมจารีรูปใดรูปหนึ่งในพระธรรมวินัยนี้แล้วไม่ขอโทษพึงจาริกไป 2. ชนทั้งหลายย่อมล้างของสะอาดบ้างล้างของไม่สะอาดบ้างล้างคูดบ้างล้างมูดบ้างล้างน้ำลายบ้าง ล้างหนองบ้างล้างเลือดบ้างในน้ำแต่น้ำก็ไม่อึดอัดระอาหรือรังเกียจสิ่งนั้นแม้ฉันใดข้าพระองค์ก็ฉันนั้นเหมือนกันมีใจเสมอด้วยน้ำไพ่บูร์เป็นมหากตะไม่มีขอบเขตไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนอยู่ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภิกษุใดไม่ตั้งมั่นกายคตาสติไว้ในกาย ภิกษุนั้นกระทบเพื่อนพรมจารีรูปใดรูปหนึ่งในพระธรรมวินัยนี้แล้วไม่ขอโทษพึงจาริกไปสไฟย่อมไหม่ของสะอาดบ้างไม่ของไม่สะอาดบ้างไม่คูดบ้างไหม้มูดบ้างไม่น้ําลายบ้างไม่หนองบ้างไม่เลือดบ้างแต่ไฟก็ไม่อึดอัดระอาหรือรังเกียจสิ่งนั้นแม้ฉันใดข้าพระองค์ก็ฉันนั้นเหมือนกัน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 พัดคูดบ้างพัดมูดบ้างพัดน้ำลายบ้างพัดหนองบ้างพัดเลือดบ้างแต่ลมก็ไม่อึดอัดระอาหรือรังเกียจสิ่งนั้นแม้ฉันใดข้าพระองค์ก็ฉันนั้นเหมือนกันมีใจเสมอด้วยลมไพบู์เป็นมหากตะไม่มีขอบเขตไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนอยู่ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภิกษุใดไม่ตั้งมั่นกายคตาสติไวเนกาย ภิกษุนั้นกระทบเพื่อนพรมจารีรูปใดรูปหนึ่งในพระธรรมวินัยนี้แล้วไม่ขอโทษพึงจะริกไป 5. ผ้าเช็ดทุรีย่อมเช็ดของสะอาดบ้างเช็ดของไม่สะอาดบ้างเช็ดคูดบ้างเช็ดมูดบ้างเช็ดน้ำลายบ้างเช็ดหนองบ้างเช็ดเลือดบ้างแต่ผ้าเช็ดทุรีก็ไม่อึดอัดระอาหรือรังเกียจสิ่งนั้นแม้ฉันใดข้าพระองค์ก็ฉันนั้นเหมือนกัน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 ผิวตะกรา้านุ่มผ้าชายขาดเมื่อเข้าไปสู่บ้านหรือนิคมย่อมตั้งจิตนอบน้อมเท่านั้นเข้าไปแม้ชันใดข้าพระองค์ก็ชันนั้นเหมือนกันมีใจเสมอด้วยเด็กจันทานผู้ชายหรือเด็กจันทานผู้หญิงภัยบู์เป็นมากรตะไม่มีขอบเขตไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนอยู่ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภิกษุใดไม่ตั้งมั่นกายยคตาสติไว้ในกาย ภิกษุนั้นกระทบเพื่อนปรมจารีรูปใดรูปหนึ่งในพระธรรมวินัยนี้แล้วไม่ขอโทษพึงจาริกไปเจ็ดโคผู้เขาหักสงบส ง, งียมได้รับการฝึกมาดีได้รับการแนะนำมาดีให้สำเนีกดีเดินไปตามถนนหนทางตามทางแยกน้อยใหญ่ไม่ดีดหรือขวิดใครๆแม้ฉันใดข้าพระองค์ก็ฉันนั้นเหมือนกัน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 สงน้ําดําหัวแล้วพึงอึดอัดระอาหรือรังเกยียจ์ซากงูซากสุนัขหรือซากมนุษย์ที่คล้องคอไว้แม้ฉันใดข้าพระองค์ก็ฉันนั้นเหมือนกันย่อมอึดอัดระอารังเกยียจกายอันเปื่อยเน่านี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภิกษุใดไม่ตั้งมั่นกายยัคตาสติไว้ในกายภิกษุนั้นกระทบเพื่อนพรหมจารีรูปใดรูปหนึ่งในพระธรรมวินัยนี้แล้ว ไม่ขอโทษพึงจาริกไปเก้าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญบูรุษประคองถาดมันข้นที่มีช่องน้อยใหญ่น้ำไหลออกได้ข้างบนไหลออกได้ข้างล่างแม้ฉันใดข้าพระองค์ก็ฉันนั้นเหมือนกันย่อมบริหารกายนี้ที่มีช่องน้อยช่องใหญ่ไหลเข้าไหลออกอยู่ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภิกษุใดไม่ตั้งมั่นกายคตาสติไวในกาย ภิกษุนั้นกระทบเพื่อนพรมจารีรูปใดรูปหนึ่งในพระธรรมวินัยนี้แล้วไม่ขอโทษพึงจาริกไปลำดับนั้นภิกษุรูปนั้นลุกจากอาสนะหมจีวรเฉวียงบ่ามอบลงแทบพระบาทของพระผู้มีพระภาคด้วยเสียงกล้าวแล้วกราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญโทษได้มาถึงข้าพระองค์ผู้เป็นคน่านเป็นคนหลง เป็นคนไม่ฉลาดที่ได้กล่าวตูท่านพระสารีบุตรด้วยคําที่ไม่มีอยู่เปล่าประโยชน์เป็นเรื่องเ ท, ท็จไม่เป็นจริงขอพระผู้มีพระภาคโปรดอดโทษแก่ข้าพระองค์เพื่อความสำรว ม, มต่อไปเถิดพระผู้มีพระภาคตรัสว่าโทษได้มาถึงเธอผู้เป็นคนพานเป็นคนหลงเป็นคนไม่ฉลาดที่เธอได้กล่าวตูสารีบุตรด้วยคําที่ไม่มีอยู่เปล่าประโยชน์เป็นเรื่องเ ท, ท็จไม่เป็นจริง แต่เพราะเธอเห็นโทษดูความเป็นโทษแล้วทําคืนตามธรรมเราย่อมอดโทษนั้นแก่เธอข้อที่ภิกษุเห็นโทษดูความเป็นโทษแล้วทําคืนตามธรรมถึงความสำรวมต่อไปนี้เป็นความเจริญในอริยวินัยลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสกับท่านพระสารีบุตรดังนี้ว่าสารีบุตรเธอจงอดโทษให้แก่โมฆะบุรุษผู้นี้เถิด ก่อนที่ศีรษะของเขาจะแตกเป็นเจ็ดเสียงเพราะโทษนั้นนั่นเองท่านพระสารีบุตรกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์จะอดโทษแก่ท่านรูปนั้นถ้าท่านรูปนั้นได้กล่าวกับข้าพระองค์อย่างนี้ว่าขอท่านผู้มีอายุนั้นจงอดโทษแก่ข้าพระเจ้าด้วยเถิดสีหานาถสูตรที่หนึ่งจบ สัุปาทิเสสะสูตรว่าด้วยสัุปาทิเสสะบุคคลสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถปินิกาเศรษฐีเขโครุงสาวัตถีครั้นเวลาเช้าท่านพระสารีบุตรครองอันตรวาสศกถือบาทและจีวรเข้าไปยังกรุงสาวัตถีเพื่อบินธบาตต่อมาท่านพระสารีบุตรได้มีความคิดดังนี้ว่า การเที่ยวไปบินทบาทในกรุงสาวัตถียังเช้านักทางที่ดีเราควรเข้าไปยังอารามของพวกอัญญาติรถีปริภาชกครั้นแล้วท่านพระสารีบุตรจึงเข้าไปยังอารามของพวกอัญญาติรถีปริภาชกได้สนทนาปราศัยกับอัญญาติรถีปริภาชกเหล่านั้นพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วนั่งณที่สมควรสมัยนั้นเอง อัญญเจริธิปริภาชกเหล่านั้นกำลังนั่งประชุมสนทนากันดังนี้ว่าผู้มีอายุทั้งหลายบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นสอุปาทิเซสะยังมีอุปาทิเหลือเมื่อตายไปล้วนไม่พ้นจากนรกไม่พ้นจากกําเนิดสัตว์ยรชานไม่พ้นจากเประวิสัยไม่พ้นจากอบายทุกติและวินิบาตครั้งนั้นแล ท่านพระสารีบุตรไม่ยินดีไม่คัดค้านภาสิทธิของอัญญะติรถิประพาชกเหล่านั้นลูกจากอาสนะจากไปด้วยคิดว่าเราจะรู้ชัดเนื้อความแห่งพาสิทธินี้ในสำนักของพระผู้มีพระภาคครั้นท่านพระสารีบุตรเที่ยวไปบินทบาตในกรุงสาวัตถีกลับจากบินทบาตหลังจากฉันอาหารเสร็จแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควร เรีกราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอประธานวโรกาสเมื่อเช้านี้ข้าพระองค์ครองอันตรวาสกถือบาทและจีวรเข้าไปยังกรุงสาวัตถีเพื่อบินทบาทได้มีความคิดดังนี้ว่าการเที่ยวไปบิณทบาตในกรุงสาวัตถียังเช้านักทางที่ดีเราควรเข้าไปยังอารามของพวกอัญญาเดรธีปริภาชกครั้นแล้ว ข้าพระองค์จึงเข้าไปยังอารามของพวกอัญญะเดรถีปริพาชกได้สนทนาปราศัยกับอัญญะเดรถีเหล่านั้นพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วนั่งณที่สมควรสมัยนั้นอัญญะเดรถีปริพาชกเหล่านั้นกันมังนั่งประชุมกันสนทนากันดังนี้ว่าผู้มีอายุทั้งหลายบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นสอุปาที่เสสะเมื่อตายไปล้วนไม่พ้นจากนรก ไม่พ้นจากกำเนิดสัตวิระชานไม่พ้นจากเปรตวิสัยไม่พ้นจากอบายทุกติและวินิบาตข้าพระองค์ไม่ยินดีไม่คัดค้านภาสิทธิของอัญญาติรถีปริภาชกเหล่านั้นลุกจากอาสนะจากมาด้วยคิดว่าเราจะรู้ชัดเนื้อความแห่งภาสิทธนินี้ในสานักของพระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาคตรัสว่าสารีบุตร อัญญเดรธีปริภาชกผู้เขาไม่เฉียบแหลมเป็นพวกไหนและพวกไหนจักรู้จักบุคคลผู้เป็นสัพปาที่เสสะว่าเป็นสัพปาที่เสสะหรือจักรู้จักบุคคลผู้เป็นอนุปาที่เสสะว่าเป็นอนุปาที่เสสะสารีบุตรบุคคลก้าวจำพวกนี้เป็นสอุปาที่เสสะเมื่อตายไปก็พ้นจากนรกได้พ้นจากกำเนิดสัตว์เยรชานได้ พ้นจากเปรตวิสัยได้พ้นจากอบายทุกติและวินิบาตได้บุคคลก้าจำพวกไหนบ้างคือหนึ่งบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้มีปกติทำศีลให้บริบูรณ์มีปกติทำสมาธิให้บริบูรณ์มีปกติทำปัญญาพอประมาณเพราะสังโยชน์เบื้องต่มห้าประการสิ้นไปเขาจึงเป็นอันตราปรินิพพายีนี้เป็นบุคคลจำพวกที่หนึ่ง ผู้เป็นสัพปาทิเสสะเมื่อตายไปก็พ้นจากนรกได้พ้นจากกําเนิดสัตยรชานได้พ้นจากเปรตวิสัยได้พ้นจากอบายทุกติและวินิบาตได้ 2. บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้มีปกติทำศีลให้บริบูรณ์มีปกติธรำสมาธิให้บริบูรณ์มีปกติทำปัญญาพอประมาณเพราะสังโยชน์เบื้องต่ำห้ประการสิ้นไป เขาจึงเป็นอุปหัจปรินิพพายีละถึง 3. บุคคลบางคนในโลกนี้ละถึงจึงเป็นอสังขารปรินิพพายีละถึง 4. ีบุคคลบางคนในโลกนี้จึงเป็นสสังขารปรินิพพายี 5. บุคคลบางคนในโลกนี้จึงเป็นอุทังโสตะอกณิธคามี บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้มีปกติทำศีลให้บริบูรณ์มีปกติทำสมาธิพอประมาณมีปกติทำปัญญาพอประมาณเพราะสังโยชน์สามประการสิ้นไปและเพราะราคะโทสะและโมหะเบาบางเขาจึงเป็นสะกะทาคาเมมาสู่โลกนี้อีกครั้งเดียวก็จะทำที่สุดแห่งทุกได้นี้เป็นบุคคลจำพวกที่หกผู้เป็นสุปาทิเสสะ เมื่อตายไปก็พ้นจากนรกได้และถึงพ้นจากอบายทุกติและวินิบาตได้ 7. บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้มีปกติทำศีลให้บริบูรณ์มีปกติทำสมาธิพอประมาณมีปกติทำปัญญาพอประมาณเพราะสังโยชน์สามประการสิ้นไปเขาจึงเป็นเอกพีชีเกิดเป็นมนุษย์อีกเพียงครั้งเดียวก็จะทำที่สุดแห่งทุกข์ได้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 ท่องเที่ยวไปสู่ตระกูลสองหรือสามตระกูนก็ทำที่สุดแห่งทุกได้นี้เป็นบุคคลจำพวกที่แปผู้เป็นสอุปาที่เสสะเมื่อตายไปก็พ้นจากนรกได้ละถึงพ้นจากอบายทุกติและวินิบาตได้ 9. ้บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้มีปกติทำศีลให้บริบูรณ์มีปกติทำสมาธิพอประมาณมีปกติทำปัญญาพอประมาณ เพราะสังโยชน์สามประการสิ้นไปเขาจึงเป็นสัตตคัตตุประมะท่องเที่ยวไปในเทวดาและมนุษย์อย่างมากเจ็ดครั้งก็จะทำที่สุดแห่งทุกข์ได้นี้เป็นบุคคลจำพูที่9ผู้เป็นสอุปาทิเศ ส, สะเมื่อตายไปก็พ้นจากนรกได้พ้นจากกาำเนิดสัติรชาญได้พ้นจากอบายทุกติและวินิบาตได้สารีบุตร พวกอัญญะดิริถีปริภาชกผู้เขาไม่เฉียบแหลมเป็นพวกไหนและพวกไหนจักรู้จักบุคคลผู้เป็นสอุปาทิเสสะว่าเป็นสอุปาทิเสสะหรือจักรู้จักบุคคลผู้เป็นอนุปาทิเสสะว่าเป็นอนุปาทิเสสะสารีบุตรบุคคลเก้าจำพวกนี้แหลเป็นสอุปาทิเสสะเมื่อตายไปก็พ้นจากนรกได้พ้นจากกาเนิดสัตยรชานได้ พ้นจากเปรตวิสัยได้พ้นจากอบายทุกติและวินิบาตได้สารีบุตรธรรมบัญญายนี้ยังไม่แจ่มแจ้งแก่ภิษุภิษุณีอุบาสกอุบาสิกากนข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะประสงค์ว่าชนทั้งหลายฟังธรรมบัญญายนี้แล้วอย่านํามาซึ่งความประมาทอีกอย่างหนึ่งเราเกล่าวธรรมบัญญายนี้โดยมุ่งถึงปัญหา สอุปาทิเศส ส, สูตรที่สองจบ 3. โกธิตะสูตรว่าด้วยพระมหาโกธิตะครั้งนั้นแลท่านพระมหาโกธิตะเข้าไปหาท่านพระสารีบุตรถึงที่อยู่ สนทนาปราศัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วนั่งณที่สมควรได้ถามท่านพระสารีบุตรดังนี้ว่าท่านสารีบุตรบุคคลอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคเพื่อประโยชน์นี้ว่ากรรมใดให้ผลในปัจจุบันขอกรรมนั้นจงให้ผลในอนาคตแก่เราเถิดได้ไหมท่านพระสารีบุตรกล่าวว่าผู้มีอายุข้อนี้ไม่ได้เลย ท่านสารีบุตรบุคคลอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคเพื่อประโยชน์นี้ว่ากรรมใดให้ผลในอนาคตขอกรรมนั้นจงให้ผลในปัจจุบันแก่เราเถิดได้ไหมผู้มีอายุข้อ น, นี้ไม่ได้เลยท่านสารีบุตรบุคคลอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคเพื่อประโยชน์นี้ว่ากรรมใดให้ผลเป็นสุขขอกรรมนั้นจงให้ผลเป็นทุกข์แก่เราเถิด ได้ไหมผู้มีอายุข้อนี้ไม่ได้เลยท่านสารีบุตรบุคคลอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคเพื่อประโยชน์นี้ว่ากรรมใดให้ผลเป็นทุกข์ขอกรรมนั้นจงให้ผลเป็นสุขแก่เราเถิดได้ไหมผู้มีอายุ <rando interpret Behind S 1> ข้อนี้ไม่ได้เลยท่านสารีบุตรบุคคลอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีรรมพร ะ, มระภาคเพื่อประโยชน์นี้ว่า กรรมใดให้ผลสำเร็จแล้วขอกรรมนั้นจงไม่ให้ผลสำเร็จแก่เราเถิดได้ไหมผู้มีอายุข้อนี้ไม่ได้เลยท่านสารีบุตรบุคคลอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคเพื่อประโยชน์นี้ว่ากรรมใดยังไม่ให้ผลสำเร็จขอกรรมนั้นจงให้ผลสำเร็จแก่เราเถิดได้ไหมผู้มีอายุข้อนี้ไม่ได้เลยท่านสารีบุตร บุคคลอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีรพระภาคเพื่อประโยชน์นี้ว่ากรรมใดให้ผลมากขอกรรมนั้นจงให้ผลน้อยแก่เราเถิดได้ไหมผู้มีอายุข้อนี้ไม่ได้เลยท่านสารีบุตรบุคคลอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีรพระภาคเพื่อประโยชน์นี้ว่ากรรมใดให้ผลน้อยขอกรรมนั้นจงให้ผลมากแก่เราเถิดได้ไหมผู้มีอายุข้อนี้ไม่ได้เลย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 ข้อนี้ไม่ได้เลยท่านสารีบุตรเมื่อผมถามท่านว่าท่านสารีบุตรบุคคลอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคเพื่อประโยชน์นี้ว่าคำใดให้ผลในปัจจุบันขอรำนั้นจงให้ผลในอนาคตแก่เราเถิดได้ไหมท่านก็ตอบว่าผู้มีอายุข้อนี้ไม่ได้เลยเมื่อผมถามท่านว่าท่านสาเรบุตร บุคคลอยู่ประพฤติพรหมจรรย์นในพระผู้มีพระภาคเพื่อประโยชน์นี้ว่ากรรมใดให้ผลในอนาคตขอกรรมนั้นจงให้ผลในปัจจุบันแกเราเถิดได้ไหมท่านก็ตอบว่าผู้มีอายุข้อนี้ไม่ได้เลยเมื่อผมถามท่านว่าท่านสารีบุตรบุคคลอยู่ประพฤติพรหมจรรย์นในพระผู้มีพระภาคเพื่อประโยชน์นี้ว่ากรรมใดให้ผลเป็นสุข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 เมื่อผมถามท่านว่าท่านสารีบุตรบุคคลอยู่ประพฤตพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคเพื่อประโยชน์นี้ว่ากรรมใดให้ผลสำเร็จแล้วขอกำนั้นจงไม่ให้ผลสำเร็จแกรเราเถิดได้ไหมท่านก็ตอบว่าผู้มีอายุข้อ น, นี้ไม่ได้เลยเมื่อผมถามท่านว่าท่านสารีบุตรบุคคลอยู่ประพฤตพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคเพื่อประโยชน์นี้ว่า รำใดยังไม่ให้ผลสำเร็จขอรำนั้นจงให้ผลสำเร็จแก่เราเถิดได้ไหมท่านก็ตอบว่าผู้มีอายุข้อนี้ไม่ได้เลยเมื่อผมถามท่านว่าท่านสาเรบุตรบุคคลอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคเพื่อประโยชน์นี้ว่ารำใดให้ผลมากขอรำนั้นจงให้ผล น, น้อยแก่เราเถิดได้ไหมท่านก็ตอบว่าผู้มีอายุ ข้อนี้ไม่ได้เลยเม mm. ื่อผมถามท่านว่าท่านสาเรบุตรบุคคลอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคเพื่อประโยชน์นี้ว่ากรรมใดให้ผลน้อยขอกำนั้นจงให้ผลมากแก่เราเถิดได้ไหมท่านก็ตอบว่าผู้มีอายุข้อนี้ไม่ได้เลยเมื่อผมถามท่านว่าท่านสาเรบุตรบุคคลอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคเพื่อประโยชน์นี้ว่า คำใดให้ผลขอกมนั้นจงไม่ให้ผลแก่เราเถิดได้ไหมท่านก็ตอบว่าผู้มีอายุข้อนี้ไม่ได้เลยเมื่อผมถามท่านว่าท่านสาเรบุตรบุคคลอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคเพื่อประโยชน์นี้ว่ารมใดไม่ให้ผลขอกานั้นจงให้ผลแก่เราเถิดได้ไหมท่านก็ตอบว่าผู้มีอายุข้อนี้ไม่ได้เลย เมื่อเป็นเช่นนั้นบุคคลจะอยู่ประพฤตพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคเพื่อประโยชน์อะไรท่านพระสารีบุตรกล่าวว่าผู้มีอายุบุคคลอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคเพื่อเห็นสิ่งที่ยังไม่เห็นเพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งสิ่งที่ยังไม่ทำให้แจ้งเพื่อตรัสรู้สิ่งที่ยังไม่ตรัสรู้คือบุคคลอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาค เพื่อรู้สิ่งที่ยังไม่รู้เพื่อเห็นสิ่งที่ยังไม่เห็นเพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งสิ่งที่ยังไม่ทำให้แจ้งเพื่อตรัสรู้สิ่งที่ยังไม่ตรัสรู้ว่านี้ทุกนี้ทุกขสมุทัยนี้ทุกขณนิโรธนี้ทุกขณนิโรธคามินีปฏิปทาผู้มีอายุบุคคลอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคก็เพื่อรู้สิ่งที่ยังไม่รู้